จะเดินพรทุกท่านนะก็พวกเราก็ได้มาทําวัดได้มาฟังธรรมกันเนาะก็เป็นเป็นมงคลอย่างหนึ่งของชีวิตนะอนะการฟังธรรมก็ก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งในมงคลสามสิบแปดประการนะมีมีสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตเรามีเยอะมากนะถึงสามสิบแปดอย่างนะ แล้วก็เอามาตรวจสอบโดยตัวเองก็ได้ว่าเราได้ทําสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตของเรามากน้อยเท่าไหร่น ะ, นะก็เป็นตัวตรวจสอบอย่างหนึ่ง น, งนะหรือถ้าจะว่าแบบย่อยๆนะ ก, ก็เรื่องมงคลก็คือเรื่องการทําสิ่งดีๆะทําสิ่งที่ดีๆให้กับตัวของเราเองทําสิ่งที่ดีๆกับคนอื่นนะช่วยเหลือคนอื่น่นะแล้วก็ละสิ่งที่ไม่ดีนะเช่น ไม่ครบคนทานในแบบนั้นนะมไม่ทำผิดศีลนแน้ น, นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของการการฝึกใจให้ให้เห็นความจริงนะการฝึกใจให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานนนะ่คือเรียกว่าพูด ง, ง่ายๆก็คือว่าเราทำสิ่งที่ดีนะเราละสิ่งที่ชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ให้สะอาดให้บริสุทธิ์คือที่เราได้สวด อริมักมีองค์แปดก็มีที่จริงมันเป็นทางเส้นเดียวเนี่ยแหละนะแต่มันประกอบด้วยแปดอย่างนะตั้งแต่ความเห็นชอบนะความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานการทำอาชีพหรือมีความเพียรมีสติะระลึกรู้มีสมาธิความตั้งใจมั่นชอบ คำว่าชอบนี่ไม่ใช่ชอบใจนะคำว่าชอบคือมันถูกต้องนะถูกธรรมะนะพอมันมีคำว่าชอบมันก็มีคำว่าไม่ชอบนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบใจนะไม่ชอบก็คือไม่ถูกนก็เรียกว่ามีทางที่ถูกมีทางที่ผิดนะแต่ก็สรุปก็คือกายวาจาใจของเราเนี่ยแหละนะที่ที่มันเดินถูกทางไม่หรือว่ามันเดินผิดทางนะ พุทเจ้าก็เอาให้เราตรวจสอบว่าทางที่เราเลือกเดินในชีวิตเนะี่ยเราเดินไปทางไหนนะี่ยที่จริงพวกเราทุกคนสามารถเลือกได้นะทางเดินชีวิตของเราที่เหลือเนะี่ยเราจะเลือกเดินไปทางไหนนะทางเดินชีวิตที่ผ่านมาเนะี่ยเราไปแก้ไม่ได้เนาะในอดีตเราแก้ไม่ได้หรอกเราอาจจะเคยทําดีเคยทําไม่ดีนะ เราแก้ไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราเลือกได้คือตอนนี้แล้วก็อนาคตนะเราจะเดินทางไหนใช่ไหมเหมือนบางครั้งเราเดินทางนะบางทีเราอาจจะหลงทาง <c ười> ไกลเป้าหมายแต่พอเรามากำหนดเป้าหมายชีวิตเราแล้วเราก็เลยเลือกเดินทางที่จะไปถึงเป้าหมายในชีวิตนั้นเนะี่ยคือเราเลือกได้นะถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่า เราจะเลือกทำชีวิตของเราให้มีความสุขหรือเราจะเลือกทำชีวิตให้มีความทุกข์เนี่ยคือเราสามารถเลือกได้นะถ้าเราเข้าใจทางเส้นนี้นะถ้าเราเข้าใจเรื่องการทำบุญเรื่องการละบาปนะเรื่องการชำระจิตให้สะอาดเนะี่ยเราจะเลือกเดินทางชีวิตของเราได้แต่ถ้าคนไม่เข้าใจนะ ก็ททำกันตามๆกันมาพวกเราคิดอย่างไรสมมติว่า <c oughs> ถ้ามีคนนะคนส่วนใหญ่เลยนะไม่อาบน้ำนะไม่ค่อยชอบอาบน้ำ <c oughs> เนื้อตัวสกปรกหรือ <c oughs> บางทีก็มีแผลมีเชื้อโรคนะก็ไม่ทำความสะอาดไม่รักษาแผล <c oughs> แต่ก็ชอบนะชอบใส่ชุดใหม่ๆ ชอบทาแป้งชอบอประดับยิองหอมต่างๆคนแบบนี้เป็นไงเนื้อตัวไม่สะอาดนะแต่ชอบใส่ใส่ใส่เสื้อผ้าที่ที่สวยนะทาแป้งทาน้ำหอมให้หอมเป็นคนปกติไหมไม่ปกตินะ แล้วก็ว่าเขาเป็นคนไม่ปกติใช่ไมืมแต่บางทีชาวพุทธหลายคนก็มักเป็นแบบนั้นนะอแต่ไม่ใช่แต่งตัวแบบนั้นอแต่หมายถึงว่าหลายคนชอบทําบุญแต่ไม่ชอบละบาปอ <c oughs> <c oughs> ชอบทําแต่บุญนะแต่ไม่รักษาศีลไม่รักกิเลสนะอืก็เหมือนกับเนื้อตัวของเรามาสบประบอก แม้เราจะใส่เสื้อผ้าที่ใหม่แต่เนื้อตัวมันก็ยังสกรปรกเหมือนเดิมแม้เราจะมีเสื้อผ้าที่ใหม่นะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้เนื้อตัวมันหายจากความสกรปรกหายจากความเหมินหลายคนชอบทำบุญนะก็ถียงนะทำบุญทำทานนั่นนี่หลายอย่าง <c oughs> แต่ไม่ละกิเลสนะเช่นบางคนทำบุญ อธิษฐานบางคนก็อธิษฐานแบบว่าขอขอทำบุญขอให้รวยทำบุญขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆทำบุญขอให้หายจากโรคใคยไข้เจ็บอรเ น, นี้ยเราเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นการทำบุญแต่เราเราไม่รักกิเลสเราทำบุญแบบเราหวังนะเราขออ ไม่ใช่ทําบุญด้วยความระกนะบุญจริงๆคือลัความโลภรักความโกรธละความหลงนะถ้าเราทําบุญจริงทําเหมือนละกนะไม่ใช่ทาเพื่อเพื่อหวังจะเอานะแต่ถ้าเราทําบุญไม่เข้าใจบุญนะเราทําด้วยความขอนะคําว่าอธิษฐานจริงๆไม่ใช่คําว่าขอนะอธิษฐานจริงๆคือความตั้งใจนะอย่างพระพุทธเจ้าท่าน วันที่ท่านจะตัดสุดูนะ่งกตกั้งอธิษฐานว่าเ <c oughs> นะี่ยเรานั่งอยู่ใต้ต้นโพนั่งใต้ที่นั่งตัวนี้นะถ้าตาบใดเรายังไม่บรรลุธรรมเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้นะไม่ได้ขออะไรนะ <c oughs> คืออธิษฐานจิตว่าตัเองจะตั้งมั่นด้วยการกระทําแบบนี้เนะีนะ่ยที่จริงอย่างพระเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็เขาเรียกว่าอธิษฐานเ ข, นะข้าพรรษาก็คืออธิษฐานว่า ภายในสามเดือนนี้จะอยู่ในในวัดนี้ในอารามนี้นะไม่ไปไหนนอกจากมีกิจตื่นนะมีกิจจำเป็นก็ค่อยออกไปนี่คือคำว่าอธิษฐานนะพระถ้าอธิษฐานก็ทำแบบนี้นะโยมก็เหมือนจันนะอธิษฐานก็คือนะอธิษฐานว่าเราจะตั้งใจทำอะไรเนี่ยเรียกว่าํำอธิษฐานที่แท้จริง <c oughs> ถ้าเราเข้าใจเรื่องการทำบุญเนะี่ยเราจะทำด้วยความสระ นะทำด้วยความเรียกว่าโตบโกรธลมมาจัดระดัออกไปมีครูบาอาจารย์นะสายวัดป่านะท่านท่านพูดว่าการทำบุญนะท่านพูดแบบ บ, บ้านๆนะคือแบบชาวบ้านทนะ่านบอกการทำบุญจริงๆนะ่ะเหมือนเราไปเข้าป่าแล้วก็ไปแล้วก็ไปกดทุบไปถ่ายออกมา เราเวลาเราไปเข้าป่าแล้วเราถ่ายออกเนี่ยเราคอยไปดูไหมว่าอุจจระที่เราถ่ายออกไปเนี่ยจะมีอะไรมากินจะมีหมามากินไหมมันจะย่อยแบบไหนไหมมีแต่เราถ่ายเสร็จแล้วเราก็เดินออกมาใช่ไมคืออะไรเราทาบุญจริงคือเราสลักความความขี้เหนียวเราหรืออภัิยทานก็สลักความโกรธ ใช่ไ ม, มสลักความโปวดนะี่คือหรือถ้าเราสลักความเห็นผิดเนะี่ยก็เป็นบุญที่สูงขึ้นไ ป, ปอีกนะีคือที่จริงทําบุญจริงๆทาด้วยความสลันะสลักความโลภ ค, ความโปวดความหลงเนะี่ยก็คือนะีะพระท่านเคยพูดแบบบ้านๆนะั่นะทําบุญก็เหมือนไปสละสิ่งไม่ดีนะั่นแหละออกไปจากจากตัวเองนะเหมือนเราไปถ่ายเราไปถ่ายแล้วก็คือสลักนะไม่ใช่ไปคอยคิดแต่ว่าเอ๊ะทาไม ทำบุญแล้วไม่เห็นได้ดีเลยนะบางคนเนาะเราทํางานดีดีทาไมไม่ได้สองขั้น <c oughs> เราทำบุญกับวัดบ่อยๆทำไมเราต้องมาเป็นโลคมะเด็งด้วยอืเราก็ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องดีดีนะแต่ทำไมเราต้องมีปัญหาชีวิตด้วยอันนี้คือเรายังไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาตจริงๆนะอืเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญจริงๆเนะี่ยอย่างที่ว่า เราทำบุญเราทำสิ่งที่ดีเนะี่ยมันดีแล้วแต่ต้องทําให้มันถูกก็คือว่าเราจะใส่เสื้อผ้าใหม่เราต้องอาบน้ําก่อนเราต้องเราก็เราต้องอาบน้ํน <c oughs> า, า, า, ออาให้สะอาดก่อนก็คือการชำระจิตใจเราให้บริสุทธิ์นะชำระความโลภความโกรธความหลงออกไปจากจิตใจให้ได้มากที่สุดเนาะแต่การชําระเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อืมต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่า คล้ายๆเหมือนบ้านของเรามันรกๆนะจะให้มาทำความสะอาดวันสองวันมันจะสะอาดเลยเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะเหมือนบ้านที่มันรบมากนะเราต้องคอยคอยมากวาดมาเช็ดมาถูมาปัดยหยักย่อแนวมุมต่างๆต้องใช้เวลาพอสมควรการชำระจิตใจให้สะอาดสิ่งที่สำคัญจริงๆคืกอการปฏิบัติธรรมครับนะ การปฏิบัติธรรมจะช่วยให้เราำชำระจิตใจเราให้สะอาดดะความโลภความโกรธความหลงเราไปจัดจิตใจได้อืต้องอาศัยเวลาหน่อ <c> ย <oughs> บางทีเราคิดว่านี่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วมันทําไมไม่สงบเพราะชีวิตทั้งชีวิตมันเราไม่ค่อยสงบเลยอ่ะแต่ไม่มาให้แบบมันนั่งแป๊บหนึ่งสงบเลยมันก็ไม่ได้อหรือทําไมปฏิบัติธรรมแล้วมันยังโกรธอยู่เลยอ ยังหลงอยู่เลยนะก็เราบงมาไม่รู้กี่ปีโปดมาไม่รู้กี่ครั้งจะมาปฏิบัติไม่นานนะจะให้มันสำเร็จเลยมันก็ไม่ไดนะ้มันต้องทำให้มันสมน้ำสมเนื้อกันนะสกะปลกมามากก็ต้องมาคอยทำความสะอาดให้มากๆนะแต่สิ่งสำคัญนี่แหละนะ มันคือการเริ่มต้นถ้าเราเห็นว่าอ๋อชีวิตเราเนี่ยเราจะทําแต่ความดีแต่ถ้าเราไม่ละความชั่วไม่ละ ก, กิเลส น, น่ะมันก็จะไม่สะอาดจริงๆนะอ่าบางทีเราทําบุญแต่หวังเอาหน้าเอาตาเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่สะอาดจริงๆนะอ่มแต่ถ้าเราทําบุญด้วยชาระจิตของเราด้วยเนะี่ยมันจะสะอาดจริงๆแล้วก็การชาระจิตการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราทําได้นะ ไม่ต้องว่าทำได้ไม่ใช่ว่าต้องเปิดพระอรหันต์คำว่าทำได้มันได้ผลทันทีเลยนะมไม่ใช่เหมือนทาบุญแล้วรอว่าเมื่อไหร่จะได้ผลบุญนะได้รับดําวันนั่นนี่นะแต่จริงเมื่อไหร่ที่เรามีสติเมื่อไหร่ที่เรารู้จักกายรู้จักใจจริงๆเนะี่ยเราจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าความสงบความไม่ทุกข์ การปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเรียกว่าเรียนรู้ความทุกข์นะคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากไม่อยากจะเรียกว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะมีทุกข์นี่เป็นธรรมชาติของคนทุกคนนะไม่อยากจะมีความทุกข์อยากจะมีความสุขอยากจะสแสวงหาความสุขอยากจะมีแต่ความสุขแต่ที่จริงเมื่อเราเจอความทุกข์ คนส่วนใหญ่เลยเลือกที่จะหนีทุกข์แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนกับกันท่าอนว่าทุกข์คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อืมถ้าเราเรียนรู้จากความทุกข์เราจะพบความสุขมันต่างกันนะแต่ถ้าเราหนีความทุกข์เราจะไม่พบความสุขมันต่างนะอืมเราพยายามหาความสุขโดยการที่เราไปหาความสุขข้างนอก เราจะไม่เห็นความสุขจริงๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามาเรียนรู้จากความทุกข์เราจะเห็นความสุขมันก็อยู่กับทุกข์นั่นแหละมันเหมือนหน้ามือกับหลังมือนะสมมติอตนนี้เป็นทุกข์อันนี้คือความสุขที่แท้จริงมันเปลี่ยนเข้ามานิดเดียวมันอยู่ด้วยกันมันเปลี่ยนนิดเดียวคือเราต้องมามาเรียนรู้ทุกข์มาเรียนรู้ทุ ก, นะทกข์พระพุทธเจ้าก็เรียนรู้ทุกข์อยู่ที่ไหน ถ้าบอกถ้าส่วนมนบางบททำวัดเช้าอย่างนี้จะบอกว่าอุปทานขันทั้งห้าคือตัวทุกข์ก็คือการยึดมั่นถือมั่นในกายแล้วก็ใจนี่แหละคือตัวทุกอันนั้นเราก็ได้มาเรียนรู้ทุกที่กายที่ใจของเรานะแต่จริงพูดให้เข้าใจเฉยๆว่าเป็นกายใจของเรานะแต่จริงเพราะว่าเรายึดว่ากายใจของเราเนี่ยแหละมันได้เป็นทุกนะก็เลยกลับมาเรียนรู้ที่กายที่ใจ มันก็จะเห็นว่ามันมีแต่อาการทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์อันนี้คือปัญญานะถ้าคนไม่มีปัญญามันจะคิดว่าร่างกายของเราแก่ร่างกายของเราเจ็บร่างกายของเราตายร่างกายของเราถูกเขาตีถูกเขาทาร้ายนะจิตใจข อ, ของเราถูกคนด่าถูกคนทาร้ายจิตใจนะพราเราคิดว่ามันเป็นของเรามันก็เลยทุกข์แต่ ถ้าเราเห็นมีสติเห็นเราจะเห็นอืมร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายนะจิตใจมันฟุ้งซ่านจิตใจมันมีความโกรธจิตใจมันมีความหลงเห็นแบบนี้นะมันจะเห็นมันเหมือนทัศประโยคอ่ะมันมีแต่กิริยาแล้วก็กรร ม, มไม่มีประธานนะไม่มีตัวประธาน ก็คือไม่มีเราไม่มีของของเราเนั่ยแหละนะมันเห็นตรงนี้แหละคือการเรียนรู้นั้นสิ่งสําคัญคือเราฝึกให้มีความรู้สึกตัวมีสติในการเป็นผู้เห็นกรรมฐานจริงๆกคือสร้างความรู้สึกตัวให้เป็นผู้เห็นเห็นคืออะไรอย่างเรานั่งเรานั่งก็เห็นกายมันนั่งเยถูกแล้วแค่เห็นกายว่ากำลังนั่งอยู่เนี่ยนี่คือการเรียกว่า มีสติแล้วหรือนั่งแล้วใจมันคิดอ้าไปหาจะกินข้าวอะไรตอนเย็นดีนี่ใจมันคิดเราก็แค่ดูว่าใจมันคิดอันนี้ก็เรียกว่ามีสติแล้วหรือว่าเราไปทำการทางานเนี่ยมันโกรธเราก็แค่ดูว่าใจมันโกรธอันนี้ก็เรียกว่ามีสตินะดัง น, นั้นการภาวนาการปฏิบัติธรรมจริง เราไม่ใช่มาทําความสงบต้อเข้าใจนะบางคนบอกว่ามานั่งปฏิบัติธรรมคือมานั่งทาความสงบไม่ใช่อมานั่งให้เพ่คิดก็ไม่ใช่แต่เราจะนั่งเราจะยืนเราจะเดินจะนอนเพื่อให้เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงคำว่าตามความเป็นจริงก็คือมันเป็นยังไงก็ก็เห็นแบบนั้น เหมือนเราเห็นคนไข้ไหมคนไข้ถ้าหมอยังหรือเขาเองหรือหมอเองยังหาโรคเขาไม่ถูกเนี่ยมันก็ยากที่จะรักษาใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าพอเขาเป็นโรคแล้วเขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นโรคเนี่ยเนะขาไม่ยอมกินยาไม่ยอมรักษาเนี่ยมันก็ยากที่จะหาย <S <s <Dutch> <S นั้นที่จริงเราต้องยอมรับความจริงของร่างกายก่อนถ้าเรายอมรับความจริงของร่างกายได้เนี่ย มันก็มันไม่ทุกนะเอาเส้นสมมติง่วงนอนทุกไหมทุกหรือทุกหรือไม่ทุกดีหรือไม่ดี <c oughs> ถ้ามันง่วงตอนนี้เราอาจจะว่าไม่ดีถ้ามนง่วงตอนก่อนจะนอนเราก็ว่ามันดี <c oughs> เราไปให้ค่าไ้เอนที่จริงมันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละ ง่วงก็คือธรรมดาใช่ไหมหิวดีหรือไม่ดีใช่ไหมหิวมันก็เป็นธรรมดาของมันใช่ไหมแต่ถ้าเราหิวไม่ไหวทำไมมาหิวตอนนี้มันก็ไม่ดีแต่จริงตอนเราไปกินอาหารเนี่ยถ้าไม่หิวดีไหมอาหารเต็มโต๊ะอะไรไม่หิวเลยโอ้ยมันก็ไม่อยากกินใช่ไหมหิวมันก็เป็นธรรมดาแบบนั้นใช่ไหมที่จริง ถ้าเราเห็นว่าธรรมดาคือแบบนี้แหละเดินมันก็เมื่อยนี่ก็ธรรมดาแต่เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับความจริงแต่จริงแค่เรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้อ่ะเนี่ยเรียกว่าคือยอมรับความจริงบางวิธีเขาบอกว่าเออเจ็บหนอปวดหนออะไรไป น, นะคำว่าหนอก็คืออ๋อมันเป็นแบบนี้แหละคำว่าหนอ่นะก็คื อ, อมันก็เจ็บแบบนี้ธรรมดานะ ปวดก็ธรรมดาหิวก็ธรรมดานะคือคำว่าหนอจริงๆคืออ๋อธรรมชาติเป็นแบบนี้แต่นักปฏิบัติธรรมเวลาทุกข์ทำไมมันง่วงทำไมมันเจ็บทำไมมันปวดทำไมมันคิดอยากสงบอะนะ้นทำไมมันโกรธอไนะ้ที่จริงเราต้องละคำว่าทำไม เพราะว่าคําว่าทําไมส่วนใหญ่ก็คือไม่ชอบ <c oughs> ไม่ชอบก็เลยเกิดคําถามไม่ไม่พอใจไม่ชอบมันก็เลยเกิดเกิดคําถามหรือว่าไม่รู้ก็เลยเกิดคําถามเกิดความสงสัยแต่จริงการยอมรับเนี่ยก็คือว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะที่จริงก็คือว่าพอเรารู้เขาเราจะยอมรับเขา เมื่อเรายอมรับเขาเราจะวาง <c oughs> เป็นแบบนี้นะรู้ก่อนต้องร่างกายแล้วก็จิตใจเนะี่ยรูปนามไปสิ่งที่เราต้องกำหนิดรู้ต้องรู้เมื่อรู้แล้วเราจะเข้าใจเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แหละเออกายก็เป็นแบบนี้แหละใจก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อเข้าใจแล้วเราจะวางวางก็คืออ๋อใช่ไหมเข้าใจก็วางก็ไม่ถือสารไม่ไปทุกข์กับมันนี้เนี่ย เมื่อวางมันก็เลยว่างว่างจากการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนจริงๆปฏิบัติทางเทงนั่นนะเริ่มต้นด้วยการเคียงแค่รู้บ่อยๆนะคาว่ารู้นี่เราจะนั่งอยู่ที่นี้ก็รู้ได้เราอยู่ที่ไหนก็รู้ได้เคียงแค่ระลึกรู้บ่อยๆว่าตอนนี้ร่างกายมันทำอะไรอยู่นะรู้ตัวบ่อยๆนะหรือเราจะสร้างมันก็สร้างได้ รู้แบบไหนก็ได้นะอย่างจะมาอาจจะสนัดพลิกมือรู้สึกพลิกรู้นะนะเดินก็รู้กินก็รู้คำว่ารู้เนี่ยแค่รู้นะไม่ใช่ว่าคาว่ารู้กินกินอะไรไม่ใช่ไปรู้มากขนาดนั้นนะไม่ใช่ว่ากินแล้วรสชาติเป็นแบบไหนอะไรไม่ต้องไม่ต้องไปนขนาดนั้น หรือว่พลิกมือเนี่ยก็ไม่ต้องไปรู้ว่าไม่ต้องไปกําหนดต่อว่ากําลังพลิกมือหรืหรือรู้ว่ามือกําลังพลิกไม่ใช่พลิกมือเพื่อรู้คล้ายๆเหมือนเคลื่อนไหวเพื่อรู้ใช่ไหมเคลื่อนไหวเพื่อรู้สึกตัวกินก็เพื่อรู้สึกตัวเดินก็เพื่อรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็คือรู้ว่าตัวมันอยู่ในโลกเนี้ยกําลังมีตัวอยู่ตรวหนึ่ง ตัวรู้สึกก็คือใจที่มันเห็นอ๋อมันจะเห็น่ะไี่ตัวมันเดินตัวมันทานั่นทงนี่มีใจเป็นผู้เห็นรู้สึกตัวอย่างหนึ่งอ๋อเมื่อกี้นะมันจะรู้สึกเมื่อกี้เมื่อกี้มันแอบคิดเมื่อกี้มันแอบโกรนะเมื่อกี้มันจะเห็นว่าใจมันเห็นว่าเมื่อกี้มันลงไปเห็นมันหลงไปเราจะมีสติกับมาแต่บางที ไปเรียกว่ามันโกรธไปเรียกว่ามันอะไรมันก็ยังมากไปนิดหนึ่งแต่จริงแค่รู้ว่าเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้มันมันคิดอะไม่ต้องไปไม่ต้องไปว่าคิดอะไรก็ได้นะไม่ต้องไปเอาใช้ายๆไม่ต้องไปรู้ว่าไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นเรื่องราวอะไรนะคำว่ารู้ความคิดนะ่ะแล้วก็ตาม ร, รู้ความคิดรู้จิตใจเนะ่ะเราไม่ต้องไปคอยหาไม่ใช่ไปเดินหา หรือไปคอยดูว่ามันคิดอะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยเห็นคล้ายๆเหมือนเราดูโทรทัศน์แหะเราจะไปคิดก่อนเนี่โฆษณาอะไระเกิดขึ้นหนังอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะแสดงอะไรเนี่ยเราไปคิ ด, นะคดเนี่ยคิดหานี่ไม่ใช่แต่เราก็เพียงแค่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็แค่แครู้นั่นสิ่สงสบคัญที่สุดคือเรารู้สึกตัวนะผ่านสิ่งที่เราตั้งใจทาก็ได้ เราตั้งใจเดินตั้งใจพลิกมือตั้งใจหายใจอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็คอยรู้สึกทางความรู้สึกตัวไปบ่อยดืมไปก็ธรรมดานะ <c oughs> คนที่ฝึกอยู่ก็ต้องดืมมเป็นธรรมดาแหละดืมไปก็แค่อา้าวดื้อไปแล้วรู้ตัวว่าดืมไปอันนี้ก็คือมีสติแล้วก็กลับมารู้สึกตัวใหม่ดนะืมไปก็ไม่เป็นไร เกิดความคิดก็ไม่เป็นไรก็ถูกแล้วเกิดความคิดเราก็รู้ว่ามันคิดอันนี้ก็เรียกว่ามีสติเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบเราก็แค่รู้นะก็เรียกว่ามีสติทำแบบนีงง้พอเรามีสติ บ, บ่อยๆรู้สึกตัว บ, บ่อยคราวนี้มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความหลงไม่ว่าจะหลงอะไรก็แล้วแต่มันจะสั้นลงความลืมตัวมันจะสั้นลงชีวิตมันจะมีแค่สองอย่างคือรู้กับหลง ถ้าตอนนี้เราไม่รู้แสงว่าหลงหลงด้านในด้านหนึ่งอะไรแหละหลงไปคิดหลงไปอดีตหลงไปอนาคตหรือหลงไปปัจจุบันนะมองนั่นมองนี่ฟังนั่นฟังนี่ก็คือถ้าเราไม่รู้ตัวมันก็จะหลงมีสองอย่างครั้นี้ถ้ารู้สึกตัวบ่อยความหลงมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงเมื่อความหลงมันสั้นลงจะเรียกว่าความทุกข์มันสั้นก็ได้ เพราะที่จริงมันหลงมานานนะอะไรทุกมากอย่างเช่นอย่างความโทสะเนี่ยมันจะเห็นง่ายมันจะเห็นชัดคืออะไรมันเริ่มต้นจากเช่นไม่พอใจนิดนึงกลายเป็นความหงุดหงิดกลายเป็นความขัดใจกลายเป็นความโกรธกลายเป็นความเกลียดกลายเป็นความอาฆาตนั่นคือเหมือนเหมือนไฟที่มันค่อยๆลางขึ้นถ้าเราเห็นมันตั้งแต่หงุดหงิด หรือว่าไม่พอใจหงุดหงิดอะไรนั้นไฟมันจะน้อยลงมันจะดับง่ายมันจะละได้เร็วอยากก็เหมือนกันหลงก็เหมือนกันนะหลงคล้ายๆเหมือนเหมือนเราหลงทางอ่ะเรารู้ตัวว่าเราหลงทางเร็วเท่าไหร่นะมันก็กลับมาหาทางได้เร็วแต่ถ้าเราหลงไปนานเนี่ยโอ้กว่าจะกลับมาหาทางเนี่ยมันก็นานหน่อยดังนั้นการมีสติบ่อยๆมันทําให้ความหลงมันสั้นลงก็เรียกว่าความทุกข์มันสั้นลง พบชาติก็สั้นลงคำวาพบชาติไม่ใช่เกิดแล้วตายพบชาติจริงๆคือใจเราเนี่ยแหละใจเนี่ยมันสร้างพบพระเจ้าสอนเนี่ยใจมันสร้างพบวันนึงเนี่ยเราสร้างไป ก, กี่พบสร้างไหม <c oughs> เดี๋ยวก็เป็นนางฟ้าใช่ไหมเจอคนไข้คนนี้เขาน่ารักดีมีเมตตาเป็นนางฟ้าเจอคนไข้คนนี้เขา ไม่เคยทําตามแล้วบอกยากก็ดือ้อถามอะไรก็ไม่รู้นะเป็นละเป็นอะไรเป็นนางมานะ่ะใช่ไ้มเราก็เป็นสังเกตใจไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะผิดนะ <c oughs> ก็แค่รู้ทันมันอ้อเดี๋ยวใจก็เนียใจดีเดี๋ยวก็ใจไม่ดีก็เห็นนะพอเห็นแล้วมันจะกลับมาเป็นปกติ <c oughs> เป็นนางฟ้าตลอดก็ไม่ใช่นะ <c oughs> เป็นนางมาตลอดก็ไม่ใช่แล้วจริงๆความจริงก็คือแบบนั้นไม่ได้เป็นตลอดหรอกมันเป็นตอนที่เราปรุงแต่งเรานะเราไปยึดมันนะมันมันเกิดขึ้นมาแล้วเราไปยึดมันมันก็เลยเป็นแต่ถ้าเราเกิดมันเกิดขึ้นมาเราแค่รู้มันก็กลับมาเป็นปกติอนี่คื อ, อนี่น ค, นนคือวิธีการฝึกสติในชีวิตจริงๆของเรานะเนาะแล้วแล้วก็ถ้าเราฝึก แบบนี้ไปบ่อยมันก็เหมือนว่าเราจะได้ประโยชน์ทั้งสองทางทางหนึ่งเราก็ได้ประโยชน์ทําโลกนะได้ทาการงานได้การเลี้ยงชีวิตนะได้ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นอีกทางหนึ่งก็คือได้ทําประโยชน์ให้กับตัวเองก็คือการชาระจิตใจให้บริสุทธนะิ์การชาระความโลภความโกรธความหลงออกไปจากจิตใจการทําให้ความเห็นมันถูกต้องนะ ที่จริงแค่เห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์มันทจริงนะแค่เห็นก็พ้นน้องพ่อคำเขียนที่เป็นอาจารย์ตอนพวกอาตมาที่วัดป่าสกต้องบอกถ้าเราเห็นงูเราก็พ้นจากงูเพราะถ้าเราเห็นเราก็จะไม่ไปเดินเหยียบมันมันก็ไม่กัดเรานี่ถ้าเราเห็นทุกข์ <c oughs> จะไม่ไปยึดทุกข์แต่ทุกคนที่บอกว่า เห็นนะเห็นมันโกรธแต่ยังไปยึดความโกรธอยู่เนี่ยไม่ใช่อ่ามันยังไม่ได้เห็นจริงๆนะถ้าเห็นจริงๆมันจะไม่ไปจับเหมือนเราเห็นนาไฟมันร้อนถ้าเห็นว่าไฟร้อนจริงๆอ่ะมันจะไม่จับไฟที่ร้อนแต่เพราะเราไม่เห็นเราไปจับแล้วคิดอื้อทำไหนมันร้อนเห็นแล้วนะเราดึงตัวเราเอามือไปจับนะแต่ถ้าอะไรที่เรารู้ตัวมันก็ปล่อยออกมาก็จฝึกแบบนี้โยนนะ ถ้าเราฝึกแบบนี้ชีวิตนะชีวิตมันก็จะมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆนะมันจะพบความสุขนะพบความสุขนะไม่ใช่หาความสุขนะคนเราคือเราไปคอยหาความสุขเป็นทุกข์คือเหตุของความทุกขนะ์นะนะเหตุของความทุกข์คือไปหาความสุขนั่นแหละแต่เหตุที่จะพ้นทุกข์คือพอกลับมาเรียนรู้ทุกข์กับพบความสุขนะ ชีวิตจะพบความสุขนะปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่แบบจริงจังคเคร่งเครียดนะเอาผิดเอาถูกปฏิบัติธรรมก็จะรู้จักผ่อนคลายใช้ชีวิตก็จะรู้จักผ่อนคลายสบายส บ, บายยอมรับความจริงไม่เครียดอะไรนะ่ะชีวิตมันก็เลยจะมีแต่ความสุขนะความทุกข์ก็น้อยลงไปนะคือคือการปฏิบัติธรรมนั้นนะแต่ทนะําทอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจชีวิตจริงๆริก็คือการปฏิบัติธรรมทั้งนั้น ไม่ใช่ว่าต้องไปอยู่ที่วัดไปนั่งดับตาต้องไปภาวนาอะไรเพราะปฏิบัติธรรมจริงๆคือทำกายวาจาใจให้มีสัมมานะนะสัมมาทิฏฐนะิสัมมานะสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวกรรมตะนะวายามะนะก็คือทั้งแปดอย่างที่เราสวน ทำให้มันถูกแค่นั้นแหละคำว่า ก, กรรมจริ ง, รงๆคือการกระทำะกรรมจริงๆเนี่ยก็คือเราทําำทําอะไรนะทํากายทําวาจาทําใจให้ถูกอันนี้ก็คือกรรมมาะคือสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินะแต่ถ้าเราทําไม่ถูกนะเราอยากจะพ้นทุกข์แต่เราทําไม่ถูกมันก็ไม่พ้นมันเราอยากจะหายแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไร รักษาไม่ถูกโลกมันก็ไม่หายมันต้องเริ่มยอมรับก่อนมันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราไม่รู้ความจริงทุกข์เพราะเราหนีความทุกข์ทุกข์เพราะเรายึดความทุกข์เป็นเราพอเราไม่เห็นมันก็จะค่อยๆค่อยๆคลา ย, ยไปเนี่ยความทุกข์มาเริ่มเรียนรู้ความทุกขนะ์เนาะในการเนี่ยพยายามรู้สึกตัวมีสติ บ, บ่อยๆเมื่อไร่ที่เรารู้ทุกข์ มันก็ไม่มีทุกไม่มีทุกไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์กายนะ ไ, ไม่มีทุกเพราะว่ามันไม่มีเรามันมีแต่เป็นเพียงแค่ผู้เห็นเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูไม่ได้เข้าไปเป็นผู้เป็นไม่ได้เข้าไปเป็นผู้เป็นทุกมันจะมีไปเหมือนนนะทุกข์กายยังมีอยู่หรือความคิดยังมีอยู่ความฟุ้งซ่านความพอใจความไม่พอใจก็ยังมีอยู่ โรคปดหลงก็ยังมีอยู่แต่พอเราเห็นเราก็เลยไม่ไปยึดมันมันก็มันก็ตกไปนะหลวงปู่ดูนแะบบมีคนถามท่านหลวงปู่มีความโปวดไหมหลวงปูมมมมนะ่มีแต่ไม่เอามันมีนะมีแต่ไม่เอาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้ทันเราจะไม่เอานะแต่ถ้าเราม่รู้ทันเราก็ไปยึดแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่มี แต่มีแล้วไม่เอาเนี่ยคือเราเป็นผู้เลือกได้ชีวเราเป็นแบบนี้นะฝึกดูนะลองฝึกดูแล้วก็มันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองแล้วก็เราทํางานมันก็จะสบายขึ้น <c oughs> ทํางานแล้วก็จะเออเราก็จ ะ, ออจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ว่าเขาจะต้องดีเขาจะต้องหายนั่นนี่เราก็มุ่งเน้นออมาดูแลใจของเราด้วย ดูใจใจของคนอื่นไปด้วยอเรารักษาใจเรานาะรักษาใจคนอื่นรักษาใจเราใช่ไหมเขาสแสดงท่าทีหงุดหงิดเรารู้ทันละ ว, ว่าใจมันหงุดหงิดเรารักษาใจเราก็คือว่าทําให้ความหงุดหงิดมันมันตกไปจากใจใจก็เป็นปกติใช่ไหมฮะพอใจเป็นปกติเราก็พูดกลับไปด้วยความเป็นปกติก็คือรักษาคนอื่นไี้ด้วยแต่ถ้าเขาหงุดหงิดเราก็หงุดหงิดเราก็ด่ากลับไปมันก็ ถ้าเราไม่รักษาใจเราเองเราก็ทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวนั้นการรักษาใจของเราเองก็คือการรักษาคนอื่นไปในตัวอนี่แหละคือคือธรรมะมันก็ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นนะ ก, ก็ก็ปากไว้อือม